พระศาสดาเทศนามงคลสูตรที่เนี่ยมังคลาสุดตังเนี่ยหน้าที่ยีบสามอ้าวดูเปิดในหน้าที่ยีบสามนะเดี๋ยวสวดมังคลาสุดตังสวดปถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยถวายเสียงเป็นพุทธบูชาด้วยเจตนาเลยกุศลที่ตั้งใจด้วยนะ นะโมตัสสะพัคควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะคาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวงเมสุตังเอคังสัมมยางภัคควาสาวดียังวิหารติ เขตวัเนอนาถาปินทิกาจารามอาทโคัญญาตาเทวตาอาภิกันตายราติญาอภิกันตวันนาเกวรกับปังเขตตะวโอภาสิตวาเยนาภาควาเตนุปสังกมีอุปสังกมิตวา พระขวานตังอาวิวะเทตวาเอกมันตังอาถาสีตะมันตังทิตาโคสาเทวตาขวานตังคาถายะอาชภาสีบาหูเทวามนุษยจามังขานิอาจินตยุงอากังขมานาสุด ฐานังโปรยครามุตตมังเสวันาะราตตาเอตัมมังขรมุตตมังปัติรูปะเทศสวาวโสจะปุเพจักตาปุญญาตาอัตตสัมมปาปณิธิจะเอตัมมังขรมุตตะมังบาหุสาจจันจะสีปันจะวินโ ย, ยจะสุสิกิต สุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังขรมุตตมังมาตาปิตุอุปาทานังปุตตาราจะสังกโหอนากุราจกรรมันตาเอตัมมังขรมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจายาตการันจะสังกโห อาณาจนนิกรรมนิเอตัมังารมุตตมังระติวิระติปปามาจปานาจะสันยโมอาปาโดจัดามีสุเอตัมังคารมุตตมังคารวจานิวะโตจัสันตุติยักตังยุตตา การณ์ดัมมะสวันังเอตังมังขรมุตังข้าวจัตสตตนังกัตวาณัสภัพธรรมปราชิตาสภาทสโสรถิงกาจันติตังสร้างมังขรมุตตมันติข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกาเศรษฐีปรุงสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อร่วงปฐมยามไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวันณางาเปร่งรัศมีสว่างสวไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากปรารถนาความสวัสดีพากันคิดมงคลหลาขอพระองค์โปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมเถิดพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ด, ด้วยคาถาเหล่านี้ว่าการไม่ครบคนพานการครบแต่บัณฑิตการบูชาผู้ที่ควรบูชา นี้เป็นมงคลอันอุดมประเทศอันสมควรความเป็นผู้ทําบุญไว้แต่ปางก่อนการถึงชอบนี้เป็นมงคลอันอุดมความเป็นพระหูสูตรความเป็นผู้มีศิลปะวิเนที่ศึกษาดีแล้ววาจาเป็นสุภาษิตนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมการบํารุงมารดาบิดาการส่งเคาะบุตรภริยา การงานอันไม่อากูนี้ก็เป็นมงคลอนุดมการให้ทานการประพฤติธรรมการสมเค์ญาตินี้ก็เป็นมงคลอนุดมการงดเว้นจากบาปการจำรวมจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี้ก็เป็นมงคลอนุดมความเคารพความถ่อตนความสันโดษความกะตันยูการฟังธรรมตามการ นี้ก็เป็นมงคลอันอุดมความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะการสนทนาธรรำตามการนี้ก็เป็นมงคลอนุดมต บ, บากการเห็นอริยสัจการทำผ่านทีพานให้แ จ, บบจ้งนี้ก็เป็นมงคลอนุดมเจิตของผู้ใดถูกโลคกระทันกระทบแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เศร้าหมอด้วยระอองกิเลส เป็นปิดกเกษมปลอยโปงนี้ก็เป็นมงคลอนุดมอนุษย์ทั้งหลายทำมงคลดังนี้แล้วไม่พ่ายแพ้ต่อข่าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกาศาสตร์นี้เป็นมงคลอนุดมเออในมงคลละสูตรพระบรมศาสดาทรงเทศนาที่นี่ในที่คเคตวัดนี่เลยนะ ท่านถึงใช้คำว่าอนาถาินทิกัสอารามีไมเนี่ยแสดงที่นี้เลยเราก็ได้มาแสดงสูตรนี้กันเลยนะที่จริงพระประมศา ส, สดาแสดงไว้เยอะมากที่เทววันเยอะหมดเลยใช่ไหแต่วันนี้เราได้มากล่าวมงคลนะที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วที่